ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบ ก, กับบรรดาท่านุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรตามเดิมเป็นว่าเมือพระเจ้ากรุงส้นไชได้ทรงใสพร ส, สองกุ ม, มารอาบน้ำชำระร่างกายดีแล้วประดบประดับประด า, ปะดาไปได้วยเครื่องแต่งพระองค์ ถ้าเสวยพวกยาหารคั้นแล้วสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าปู่เขา อ, อุ้มพระชาลีพระเจ้าญาติเขา อ, อุ้มพนางกันหาได้ความชมชื่นชมสมณนัตครางก็ตัดถามเรื่องความเป็นมาให้ความเป็นไปเขาว่าเวสันดนนระนางมสัสสีซึ่งพระราจุกรมานคือพระชาลีก็ทูลถวายโดยละเอียด อพระชาลีตรัสว่าตามธรรมดาสา ม, นมนุษย์ทั่วไปย่อมรักใคร่บุตรเป็นที่สุดแต่ว่าช่นไหนพระเจ้าปู่และพระเจ้ายาจึงไม่ทรงมีเยื่อใหยในพระราชวินดาแต่พระราชมารดาเขาหม่อมฉันเอาสิ้นเลยแล้วพระเจ้าค่ะเพราะว่าเวลานี้พระราชวินดาและพระราชมารดานานลาบากมากพระราชวินดาจําสินอยู่ในอสม สำหรับพระราชมารดาต้องเข้าป่าทุกเชา้าด้วยความลําบากในป่านั้นก็มีสัตว์ร้ายมีสัตว์ร้ายอยู่มากแล้วก็อันตรายก็ย่อมมีพระเจ้าแม่นี้ปรายกฏว่าเคยเป็นลูกกริย์สุ ข, ขุมารชาตไม่เคยปฏิบัติกิจิมา ก, ก่อนแต่เดี๋ยวนี้พระแมนดาเขาเ ข, ข, ข้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองมีความลําบากเยี่ยงสามัญชนธรรมดา แล้วก็ลาบากกว่าชาวบ้านธรรมดาเพราะต้องหาอาหารในป่ากว่าจะได้บริโภคอาหารจากเช้ามาก็เป็นเวลาบ่ายคือท่าเข้าป่าแต่เช้าจะกลับมาก็บ่ายทำอย่างนี้ทุกวันพระเจ้าค่ะชา้าบาดแ้ลสองเข้ามาแม่เจ้านั้นก็แตกผิวก็กร้านและก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยไม่เหมือนอยู่ในพระราชฐาน เป็นนั้นว่าที่พระเจ้ากรุงเชิชัยยินดว่าจริงแล้วหลานรักเอ๋ยโอ้นี่ทําผิดไปเสแล้วแตะะ่เธอะมันไม่เป็นไรหรอกไอการที่ปู่ทำผิดเน่นะแต่ความจริงปู่ไม่ได้คิดจะทําอย่างนั้นปู่ไม่ต้องการให้พ่อเจ้าออกไปไม่ต้องการให้แม่เจ้าออกไปแล้วก็ไม่ต้องการให้เจ้าออกไป แต่ที่เป็นอย่างนั้นก็ว่ารัศดรทั้งเมืองเขาทำกันอย่างนั้นเมื่อเขาจะเอาอยัางนั้นปู่ก็จำเป็นจะต้องทำทำไมได้ความจำใจเอาเอบัตนี้มาเราได้ยินดียกโทษให้แล้วปูนะ่จะยกโทษใก่กบิดามัดาของเจ้าทรัพย์สมบัติอันใดที่มีอยู่ในแคว้นแม่แคว้นแดนดินนี้ปู่ก็ยินดียกใกห้กับพระราชวิดาเจ้าหมดสิน้น ขอให้เขาสเสด็จกลับมาเถิดหลานรักให้ชาลีจะได้กลาบถุนว่าพระบินดาไม่สเสด็จมาหรอกพระเจา้าค่ะนอกจากว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จไปรับถึงที่ถ้าหากว่าพระองค์จะปูสะเสด็จไปรับเมื่อไรข้าพระเจ้าเข้าใจว่าพระราชบิดาต้องสเสด็จกลับมาพระเจา้าค่ะมาเพื่อรับราเยสสมบัติตามที่พระองค์ทรงพระราชทาน ว่าเจ้ากรุงสนชัยได้สแต่นั้นแล้วจึงได้มีพระาพาบรมราชองค์การจัด ก, กองทัพเป่าประรากาศทั่วไปแล้วก็ทรงตัดให้ตัดทุนทางจากกรุงเชกุนดอนถึงเขาวงกตโดยมีกำหนดกว้างแปดอสุภะแปด อ, อสุภะคือโคแปดตัวเ ร, เรียงกันได้สบาย แล้วก็ให้ ป, ป, รประดาธงทิวสีสันต่างๆตลอดทางตอนนี้ก็เห็นจะต้องว่ากันเร็วๆหน่อยเพราะว่าการพระเวสสันดรนี้จะให้จบในวันนี้ฝ่ายชูชกมาเพลินสมบัติจนเลียมตัวมีทาสหญิงร้อยคนสาวๆ ส, ส, สวยก็เยอะทาสชายก็ร้อยคนช้างกันหนึ่งร้อยม้า ก, กันหนึ่งร้อยโคก็นหนึ่งร้อย แถมก็ยังมีทองแท่งอีกร้อยแท่งให้พันกันหนึ่งร้อยแท่งแล้วอยู่ประาสาทเจ็ดชั้นก็คิดว่าหม่ให้เรานี่ไม่นึกเลยว่ามันจะหิงแบบนี้อะารไม่เป็นไรนั่นไม่เฮงแล้วก็เิงต่อไปยิงได้บอิอาหารอย่างดีๆอย่างนี้ก็ไม่เคยกินสักทีมันอร่อยจริงๆอาหารในพระราชฐาน เป็นนั้นว่าเราเวลานี้ก็มีฐานะเทียบเท่ากับเจ้าคนหนึ่งเทียบเท่าหรือว่าเทียบเท่ากับมหาเศรษฐีคนหนึ่งไม่เด็ดขารจะต้องกินให้มันสมใจที่อดมานานของดีๆอย่างนี้ไม่เคยกินว่าแล้วก็บริโภคอาหารรสดีเกินประมาณเจนอาหารไม่สามารถจะจ่อยได้ ในทีสุดตาชูทกกระทังา ย, ยจะก็ต า, ตายตายเพราะการบริโภคอาหารนั้นความจริงก็ไม่น่าทงสารนล้นนะทั้งนี้พเพราะอะไรเพาะแกอิ่มตายแกยไม่ได้หิวตายในเมื่อแกอิ่มตายคนนั่นจะเน่กคนจะโมทนากับแกนะถ้าหิวตายน่าทงสารเป็นอนันว่าราคารนั้นทราบถึงแม่เจ้ากรงสนชัย พระเจ้ากรุงรัชชัยจะได้มีพระบรมราชองค์การให้ทาการชาวมณฑ ก, กสอบตาโชชกแม้ว่าแทนที่จะยึดสมบัติเป็นของหลวงนะท่านก็ดีจริงๆหาไม่ได้ยากให้ประกาศหาญาติของผู้ตายให้มารับมรดกแน่แม้ก็จริงไม่น่าเลยแต่ว่าควรจะทำเพราะถ้าเป็นกรรรษัตริย์ที่ทรงทรงทศพิตรจะทำ แห้ประกาศว่าใครเป็นย่าของโชชกบ้างจมารับมรดกอนี้อันนี้ทางอวิทันดาเธอไม่มีผัวไว้สมัยเธอก็มีโอกาสแต่ก็ไม่มีคนพูนใดแปลกฎประกาศกตนว่าเป็นย่าของโชชกเมื่อประกาศไปแล้วจึงต้องให้รวบรวมเก็บทรัพย์เข้าประคลังวหลวงไว้ทั้งสิ้นนะครั้งครบกําหนดเจ็ดวันจึงให้ประชุมกองทัพ เป็นขบวนใหญ่ตั้งให้พระชาลีกุ ม, มานเป็นมัคคุเทศคือเป็นผู้นำทางแล้วก็พะเด็จออกจากพระนครไปในขบวนทัพนี้ปรากฏมีช่างโมโหนาถีทรงเครื่องประดับอย่างดีมีศีรษะอยู่ด้วยช่างนี้คือช่างที่พระราชทานให้ชาวกรุงรัตต่อไปนั่นเอง เมื่อพรามทั้งแปดนำไปให้ฝนตกในแห่นแควนของกริงกรัดดีแล้วเมื่อพืชพันธุังยาหารบริบูรณ์สมบูรณ์เขาก็นำมาคืนถวายแต่ความจริงเขาไปเพื่อฝนตกทท้งนั้นแต่ได้ว่าเป็นเรื่องของเวทสันดรที่จะต้องบำเพ็ญบารมีก็ต้องเข้าป่าเป็นธรรมดา เพราะยางนั้นช้างมงคลอัถีนี้จึงบรรลือเสียงดังกว่าช้างตัวใดๆเช่ดใดๆเพราะดีใจที่ได้พบพระเวสสันดรเจ้านายเก่าของตนในช้าเนี่ยเขาบอกว่ามีความรู้ใคร่ขนอันนี้จบกันมหาราชตอนนี้ก็ต้องเล็งแรดหน่อยเป็นกันหกกระสัตรเรื่องชะกษัตริย์และชษัตริย์นรชะตัวนี้แล้วว่าชอตัวนี้ก็แปลว่าหก เป็นนั้นว่าคอนเหล่าลัดไม่งั้นมันจะไม่จบวันนี้เสียงกลองทับนะเสียงกองทัพที่ยกมาดังสนั่นบันไว้ท่วมบริเวณป่าได้ยินถึงพระเวชชันดอนแล้วก็ทำให้พระองค์ตกพระไทยมีความสั่งขันว่าเป็นเสียงกรองทับของศัต ร, ทรูที่ยกมาจะจับพระองค์จึงได้ทรงพาพระมัตสีขึ้นไปดูบนยอดเขา เพื่อทอดพระเนตรให้รู้แน่พระ น, นางมัตสีทรงพิจนารณาดูแล้วก็ทรงทราบว่าไม่ใช่ศัตรูเจ้าได้กราบทูลว่าก็ไม่ใช่กองทัพศัตรูที่ยกมาหลวงพระเจ้าค่ะผู้ศัตรูถ้าไม่มีที่จะมาย่ำยีพระองค์ได้เหมือนเหมือนกับไฟที่อยู่ในห้องน้ํเท่าไฟที่อยู่ในน้ํามันลุกไม่ได้ย่อมจะไม่อาจคิดจะติดตามมาฉะนั้น จริงทำให้พระเวสสันดรมันเท่าความวหวาดระแวงลงไปและจริงสันเด็จพานพระนางมัตสีลงมาประทับอยู่ที่บรรณสั น, นลาดโดยที่พระนางมัตสียอดชายาประทับอยู่แห่งหนึ่งต่างหากท่ากล่าวว่าตอนนั้นพระเวสสันดรมีความคิดว่าบางทีกษัตริย์เมืองใดเมืองหนึ่ง ที่เขาคิดว่าเราไม่ได้ครองราชพระราชบิดาเป็นคนแก่อาจจะมายึดเชกเมืองเชกคุนดอนแล้วทราบว่าพระเวสสันดร อ, อยู่ในป่าเกรงว่าจะไปหอกข้างแค่จะยกกำลังเข้าไปยึดอนนานาจตามเดิมยิงได้ยกมาเพื่อจะมาประหารพระองค์ในความคิดเปางานนะ <c oughs> แต่ว่าตอนกลัวตอนนี้บรรดาแทนพทะบริษัท ในหนังสือเรื่อหนึ่งท่ากล่าวว่าอาศายเป็นกรรมเดิมเหมือนกันคือในสมัยก่อนเมื่อพระเวสสันดรได้เป็นกษัตริย์วันนั้นทรงเรียบพระนครกําลังบริวารก็มากเห็นพระองค์หนึ่งท่านเดินสวนทางมาเห็นว่าพระสวนทางมานี่ทางมันก็แคบคนของท่านก็มากก็จึงได้สั่งให้อาํามัด บอกว่าเธอจนไปน้มัสการพระองค์นั้นแล้วก็เรี้ยงกับท่านว่ากําลังคนเขาเรามากขอให้พระคุณเจ้าหลบทางสักนิดหนึ่งท่านบอกว่ากรรมเพียงเท่านี้เนี่ยอ ต, ตอนที่กองทัพพระองนั้นถกวาดไม่ฟังคําน้ำไหลเขาก็สัตย์ให้มากราวแบบนั้นก็ตกใจกลัวหลบเข้าข้างทาง ถ้าว่ากรรมนิดเดียวเท่า น, นี้ที่พระเจ้ากรงชนชัยยกกองทัพกองเกียรติยศมาเพื่อจะมารับพระเวสสันดรก็เป็นเหตุให้พระเวสสันดรตกใจกลัวนีรว่ระมัญดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชี้ว่าผลของความดีด้วยความชั่วนี่ไม่จะมากแต่น้อยก็าตามมันก็ตามไล่ ง, งานเราจนได้ในความจริงพระเวสสันดรไม่ได้มีเจตนาร้าย กับพระองค์นั้นแต่ว่าท่านตกใจมาตอนนี้ก็เป็นเหตุที่พระเวสสันดรตกใจนี่จงจำไว้ในบรรดาญาโยพุทธบริษกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมรีกรรมชั่วได้เหตุให้ผลแก่ตัวฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดคิดคิดคัดค้านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรกว่านารกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนิพพานไม่มีนะ mm hmm. เลิกคิดแค่เสียทีเออสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เวลานี้คนก็ทํากันได้เยอะแล้วแม้แต่เด็กแต่เล็กก็ทํากันได้มากโดยเฉพาะอย่างยิง่งมโนยิธิเป็นอภิญญาอันหนึ่งเดือทิพย์คุ ย, ยานเป็นหลักของวิชาสาม แต่ว่าทางนี้ก็อย่าคิดว่าอาตจะมาเป็นคนสอนเขานะเพราะว่าท่านสอนกันหลายสำนักรู้สึว่าแต่แสำนักสอนได้ดีจริงๆก็ลองทดสอบดูถามบรรดาแทานพุทธมรัสชาหญิยยงที่ทำ ม, มาแล้วรู้สึกว่ามีเหตุมีผลพอน่าจะเชื่อได้ฉะนั้นหากว่าท่านคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดา ตัดมาในเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องพระเวสสันดรก็ดีว่ามีทิวดามีพรมเรื่องไหนก็นดีถ้าท่านไม่เชีย่ยก็ปฏิบัติตนนี้เขาถึงจุดนั้นจะได้เรื่องความสงสัยของท่านได้เอาคุยกันต่อไปเมื่อใบเจ้ากรงสนชัยทองทำความตกลงกับพระ น, นางผสดีว่าตอนนี้ยกทัพไปถึงแล้วนะถ้าเราจะเข้าไปพร้อมกัน อาจจะทำไม่มีการเศรา้าโศกแสงก็นเป็นการใหญ่ตัวเราจะเข้าไปแต่ผู้เดียวก่อนเมื่อน้องเห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรนะั้นน้องเดินตามเข้าไปนะเข้าไปทีหลังให้ตกลงกันนะกขณะที่พระเจ้าการุงฟึ้นชัยเสด็จเข้าไปใกลอ้อสมพระเวชสันดอนทอประเดชหิงก็ทรงจําได้ยังได้รีบลุกเสด็จออกมาต้อนรับพระราชวินดานและก็ถวายอภิวาท สมนามวสีก็ไม่ได้รอช้ารีบเผด็จมาถวายบังคมครบเช่นเดียวกันทั้งสามก็สัตว์พกกันด้วยความปีติยินดีไม่รู้จะตัดไปกันใดต่างคนต่างก็นั่งอึ้งตรึงใจแลดูกันรันดูแกตามปกติพูดไม่ออกเพราะความดีใจ เมื่อต่างควายต่างคยคลายความเสื่อเสือื่นลงไปได้บ้างแล้วไม่เห็นดูแลดูเฉยต่างคนต่างร้องไห้ดีใจก็ดีทรงสนทนาถามเรงความสุขความทุกข์เป็นมาตามสมควรกับทิยาใสอันด้เวลาสมควรก็แปลกดสมเด็จพระราชวิพนพระราชนิรดาคือผุดสดีก็สเสด็จเข้ามาอีก อาะเว้นดอนกับนางมาสีแต่งกระลุกไปต้อนรับหน้าพิวาถวายพิวาทววา ท, ทันใดนางบรรนามาสีเรือเพ็นชาเรือเพ้นชาลีแล้วบรรนานกันหาก็สเด็ดเสเด็จเข้ามาด้วยคราวนี้เองนาง <c oughs> นางลืมตัวโผลเขาวิ่งกัเบือหาร้องครวญครางในเสียงอันดังกายสั่นะรัว ถึงกับวิสัญญีสรบลงตรงนั้นเอง <c oughs> นี่เกิดเรื่องใหญ่ตอนนี้ขบันดีจมูกมันคัดไจก็ <c oughs> โทนี้นิดหนึ่งว่าพระนางพศะพเดเห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วยังได้ชวนกันหาได้ชาลีทั้งสองว่าหลานรักไปเถอะพระยาปู่เข้าไปนานพอสมควรเราตามไปนะเราตามเขาไปเมื่อเดสามท่านท่า น, นสเสด็จเข้ามา พระเวชชันดอนเห็นพ่ะมานดาก็น้ำพสการก็นมางพระมัทสีก็เข้าไปไหว้เห็นลูกรักทั้งสองเอาแล้วใสอิ่งเข้าไปกอดร้องไห้ลูกก็ร้องแม่ก็ร้องร้องกันไปร้องกันมาไม่พอเลยสลบทุกไปกันทั้งคู่เสร็จล่อเข้าสามนั่นนะนี่ล่อเข้าสลบเข้าไปสามแล้ว พระกุมารเนี่ยสอง เ, อเดี๋ยวก่อนท่านมัตีสลบลงมาหนึ่งนะทำไม่ไม่สามฝ่ายพระกุมารเนี่ยสองก็โผก็มาหาแม่อม <c oughs> พอถึงพระมารดาพอถึงแระมารดาก็ปรากฏสลบไปอีกสองล้มทับพระมารดานะล้มไปแล้วก็ทับลงไปก็สลบไปอสองไปสามแล้วถ้เวทท่นโดนได้ทอดไปได้ไดเห็นอยานั้นท่านก็นึกก็ถึงแก่สิ้นสติ สลบลงตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็สี่แล้วสี่สลบทายพระเจ้ากรุงสนชัยกับพ น, นางผษเศดีคิดว่าเอนี่ลูกก็สลบลูกสะั้ยก็สลบหลายก็สลบไอ้เรานี่มันจะเสียทีเขาะมังทำไมสลบก็เป็นอนุภาพพระอาศัยการเตือนตานใจ ก็เลยสลบลงไปเหมือนกันลอ่อกขาซะหกสลบไปนะว่าหกเกษัตริ์นี่เขาเรียกชอเกษัตรที่แชเกษัตริย์ต่างคนต่างสลบไม่อาจจะกําหนดกัน้นความเตื้นตันไม่ได้นะมันบังคับมาอยู่สลบไปหมดบรรดาเวอหมายขั้นไรบริพานเห็นเหตุการณ์ ใ, ใกล้ชิด ต, ต่างก็แทนที่จะพากันช่วยประคับประคองแก้ขึ้นสติฟื้นเมื่อคือก็ฟื้นขึ้นสติ แต่แก่แกก็ไม่ยอมทำอย่างนั้นเพราะเกรงว่าจะเสียท่าในที่สุดบรรดาหมายข้าราชบริภานก็สลบทระเนตนาไปตามๆกันรวมความว่ากองทัพทั้งกองทัพหมดสลบหมดไม่เหลือสงสัยนะช้างปจัจจยนาเคนสลบหรึเปล่าก็าไม่รู้แล้วพวกช้างผู้มา้าทตาสลบหรึเปลา่าไม่อยากดูเขาไม่ได้บอก แต่ว่าคนนะไม่เหลือสลบหมดดีเงียบสงัดสบายนี่ความดีใจทำให้คนตายได้มีกันแต่ น, นี่ไม่ถึงตายแค่สลบต่อมาถึงกาวทาวสกธิวราชเนามีว่าหกษัตริย์กับบริวารพากันถวิสัญญีหัวตัวก็สลบไปหมดเช่นนี้ย่อมไม่มีใครจะลุกมาประพรม ฉลมกายให้ใครจับใคได้ยิงบรรดาในฝนปกระพัดตกกลมมาเพื่อความสดชื่นแก่ทุกๆคนบัตรโดนนั้นเองก็แปล ก, กรุหกกษัตริย์พร้อมไปได้วยเราอมหมายค้าว่าเ่ข้าราชบริพารก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาเมื่อประชาชน้หมดฟื้นแล้วเป็ น, นวันตอนนี้นั้งสื่อนี่รู้สึกะบกพร่องมาก แต่นกล่าวว่าตอนนี้พิจากรุงพัชัยจะไปรับพระเวสสันดร น, นี้ท่านก็ไปากายกับบรรดาประชากรทั้งหมดทุกคนชาวบ้านทั้งหมดว่าเวลานี้เราจะไปรับพระเวสสันดรใครจะไปกับเราบ้างบรรดาชาวบ้านที่เคยเกลียดชัามาก่อนพระเทวดาบรนดานทุกคนต่างก็นึกถึงพระเวสสันดร อ, อยู่นานเพราะพระเทวดาคลายอารมณ์ เมื่อก็เห็นว่าพระเจ้ากรุงสุนชัยจะไปรับพระเระสดอนต่างคนต่างก็ไปกันหมดเป็นอะนุวัติกรุงศรีพีเวลานั้นไม่มีใครเหลืออยู่เลยถ้าบังเอิญใครเคาจะมายึดเมืองก็ยึดได้แต่ก็ลําบากนะพอเวลาเขา ก, กลับไปกรุงทัพประชาชนมันก็เต็มคนยึดลําบากเขาเพรตีได้เปน็นอนุว่าบรรดาประชาชนนั้นหลายที่ก็เคยเกลียดเขาก็เลิกเกรียดเขาต้องการพระเระสันดอนแล้วนีน่มันสือท้องทิ้งไปใช่ หนังสือเล่มนี้ดีคนเขียนก็ดีแต่ถ้าว่าหน้าเส้นดายที่บกพร่องไปมากช่างทันต้องตาแก่ขี้บน่นตัวเองอาศัยหนังสือจะบบนอีก <c oughs> เล่าไลา่คุณเงินต่อไปเดี๋ยวเวลาไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวไม่จบ่าจริงได้บรรดามาค อ, อยระเวทสันดอนมาพนานมาสี่จงเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายนประชาชนเขาว่านะ ขอพระองค์จงรับตําแหน่งพระราชาของพวกข้าพเจ้าเถิดให้พวกที่ขับขับคนเนี่ยตอนนี้มานควนกันจบมหาราชนะเจ้าโจ้ภกษัตริย์มาในควนกันขั้นพระเวสสันดรนี้ทรงระดับคําของลาประชาราชให้ต้องรีบๆไปโยมรีบๆแล้วเวลาเรียนน้อยรีบจกและเวลานี้ที่นี่ทูนัดตนนายทรงลาพนดและครองราชสมบัติดังนั้น จิงได้ทูลถามพระราชิจินดาว่าข้าบระบาทได้ทรงครองราชสมบัติโดยทศพิตราชธรรมั้นฝ่าบระบาทและชาวกรุงศรีพีนครศิีพีจิงได้พร้อมใจกันในประเทศขาาา้าพระเจ้าเสด็จเจ้าพระราชาต้านานาเขตลลาพระเจ้าข่พาพระเจ้ากรุงพนชัยในตว่าลูกรักการที่พ่อเชื่อคาชาวกรุงศรีพีให้ขับไล่ลูก ผู้หาความผิดไม่ได้เช่นนี้ก็เป็นการที่พ่อได้กระทำรุนแรงเกินไปนับเป็นความผิดของพ่อขึ้นชีวาบุตรผู้มีความกระตัญยูกระตเวทีควรจะยอมสละชีวิตช่วยปลดเรื่องความทุกโศกของบิดามารดาและพี่น้องได้เพราะฉะนั้นลูกก็ไม่ควรจะถือโทษพ่อจงทำตามคำพ่อ ลาผนวดจากฤาษีกลับไปเป็นกษัตริย์ตามเดิมเถิดลูกรักเนี่ต้องรีบรีแล้วโยมเมื่อบรรดาเมื่อพระราชวินดาตัดอย่างนี้เป็นครั้งที่สองพระเวสสันดรยิได้สรงรับคําแล้วก็ปรด็ษเข้าไปมันดาสลาทรงประดับเครื่องดาบทฮะนะประดับนะทรงปรเปลื่องเครื่องดาบทบริขันออกเก็บไว้แล้วก็ทรงผ้าขาวผ่องใส ดูด้วยสีสังเผยออกมาจากนอกบรรซาลาด้ำหลีว่าสถานที่นี้เราบำเพ็ญสำนักรร ม, มาส่งเวลาเก้าเด่งกับสิบห้าวันเป็นที่เรายึดยอดบรมีบำเพ็ญทานจนแผ่นไหวจึงทรงประธรรมประทักศิลดำเนินเวียนขวาบรรซาล่าสามรอบแล้วก็หยุดที่ประทับ อยู่ประทับที่หน้ามุกถวายนมัส ก, การในเป็นจางขบวดิษฐ์ท่านแล้วพนักงานก็เชิญผมนพนักงานโพภสา ม, มาลาก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนเช่นเชิญพระเกศาพรรมสุเป็นต้นตามควรแก่ราชกิจและก็พร้อมกันถวายวิเศษใน่ทิ้งครองได้สมบัติในพระนครสีพีสิบไป โดยในนี้เช่นเดียวกันเจ้าพนักงานฝ่ายหญิงก็ได้ถวายการปฏิบัติเจ้าพนามะศีตามราชประเพณีดเช่นเดียวกันสมเด็จพเวสสันดรบรมราชาพระองค์ทรงระลึกย้อนนึกถึงชีวิตระจญความนําบากักบระพนามาศีที่อยู่ในป่าใหญ่อันนี้เขาโหงนางสีเนย์ระยำจริงๆเป็นนั้นว่ากลับเมืองกันแล้วคนนี้นะนางสีก็ไม่ยอมกลับ ในป่าใหญ่จึงประกาศทั่วไปว่าให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในบริวเวณเขาวงกฎนี้มีการมรุษรศพุ่นเริงกันให้เต็มที่จะบ้าในใกล้ๆเสมนางมาสศีไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ทรงพระบินดาประโมทเท่ากับได้พบลูกทั้งสองพระองค์ <c oughs> เท่ากับพบลูกทั้งสองครับพระองค์จึงได้ตัดว่าลูกรักทั้งสองเมื่อพรามพาลูกไปแล้วไม่ก็ตั้งใจปรารถนาว่าอยากจะพบลูกทั้งสองอีกจึงได้ตั้งใจบำเพ็ญจริยาวัตรจริยาคือบริโภคอาหารวันหนึเดียวนอนบนกระดานแผ่นเดียวเป็นนิดก็ได้ประสิทธิ์สมมสองในวันนี้เอง ขอนานัจบุญบรมีของแม่จึงคุ้มครองลูกและขอให้สมเด็จพระเจ้าปู่พระเจ้ายาจงปราณีชุบเลี้ยงบุญกุศลอันใดที่แม่แม่ทำไปแล้วก็ดีของพ่อก็ดีที่มีอยู่ขอจงส่งผลมันดาลให้ลูกจงอย่ารู้เจ็บไข้ได้ป่วยจงมีอายุยืนนานเ ท, ทิโรุกรักสมเด็จพระเวสินดณนนพนางมัสี อ่าเป็นนว่าสมเด็จพระเวชชนลอยมนามสีบรมราชินีนายกเสด็จสู่ไข่หลวงประทับสู่ไข่หลวงที่ประทับแผงสมเด็จพระบรมราชานาเคราะหราชบิดาโดยอิสรยศใหญ่ด้วยการดังนี้ต่อจากนั้นไปกั์ทั้งหมดก็พร้อมกันบริจาค การสะสมหมดก็เพราะงม่ได้ข้าราชบริพารจำนวนใหญ่ก็เพเด็ดเที่ยวชมภูชมภูเขาลำนล้ำไพรเป็นที่สำราญพระราชาไทยประมาณนหนึ่งเดือนด้วยเดชพระเมตตาแห่งพระมหาเวสสันดรบันดาลให้เราสัตว์้ายทั้งหลายในป่าอยู่อย่างสงบระงับไม่มีการคมเหงเบียดเบียนสิ่งกันละกัน างก็มาไปชุมกันเป็นเดียวกันแล้วก็สแสดงความอะไรโศกให้ร่ำลากันฮนะเสียดายพระเวสสันดรนะใส์ก็เสียดาย <c oughs> ครั้นเวลาสมควรก็จะนำขบวนกลับขบวนทัพที่ที่ต้อนรับพระเดชพระเวสสันดรก็ขึ้นออกจากเขาวงกดมาตามระยะทางที่จัดไว้ชนยะหกสิบโยชน ก็บรรลุถึงเมืองชายกุนดอนพอสมเด็จพระเวสสันดรถึงก็สนลิกนึกถึงคนแย่คนยาจกคือคนยากจนเฮียอิงก็วันดาในฝนตกลงมาเป็นลัตนมณีมีค่าเหลือขนานับมเป็นแก้วจจตประการฝนแก้วแก้วมณีก็เป็นอันว่าสมกับที่พรนี่ทรงขอไวตามที่กล่าวมาแล้วทุกประการ พระองค์ยนีทรงออกประกาศว่าฝนนี้ต ก, กลงมาในบ้านของใครผู้นั้นจงเป็นสมบัติในแก้วมณี น, นี้เถิดส่วนที่เหลือก็เก็บไว้เข้าในท้องพระกัางเป็นสมบัติของหลวงต่อไปพร <c oughs> ตกอยู่บนบ้านใครบ้านนั้นได้ตกนอกบ้านเป็นของหลวงเรื่องนี้อ่าเป็นว่าเรื่องนี้ก็ขอจบธรรมดาญาติโยมพระตวายชัดรีบว่าแท้เต็มที่หรือเวลาหนนาที ตอนนี้ขอพระชุมชาดกตอนเมื่อเทศจบพระพทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระว่าพิกเวีตูกรบิสุทน า, ายสำหรับคนสาคัญในสมัยนั้นคือหนึ่งชูชกมาเกิดเป็นพระเทวทัพในสมัยนี้สำหรับนางมิตรดา น, นั้นมาเกิดเป็นานางจินตามานิวิกาสองคนนี้ลงอเวจีทั้งเป็นทั้งคู่ สามเจตบุตรสมัยนั้นมาเกิดเป็นในชนะเทนิโงนักสี่อสิตดาบดดาบนั้นอจุตระศีมาเกิดเป็นมาสารีบดสําหรับพระอินทในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระอนุรุตพระวิศนุกรรมในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระโมคคันลาเทวดาแปลงสององค์ที่เป็นอาจารย์ศีษ เทวดาแปลงที่เป็นราชสีมาเป็นพระศรีวลีเทวดาแปลงที่เทวดาแปลงที่เป็นมเวสสันดรมาเป็นพระมหากัะจยนะได้นางเทพธิดาแปลงที่เป็นมัตสีก็มาเป็นนางวิสาขามหาบารสิกาได้แช่งไปยนาคเวลานั้นมาเป็นมหากระสุในเวลานี้แม่แช่งเวลานั้นมาเป็นพระนางกีสาโคตมี แล้วก็พระเจ้าวัฒราภราชวินดาพระนางมาศีสมัยนั้นมาเกิดเป็นท้ามหานามแล้วก็อา ม, มาตผู้กระทำนําข่าวเดือดร้อนไปกราบทูลให้สงทราบมาเกิดเป็นพระอนุน์อา ม, มาตผู้จัดแจงสัตตดกมหาทานสมัยนั้นมาเกิดเป็นท้านาดิบินิกาเศรษฐี แล้วก็พระเจ้ากรุงสุนชัยสมัยนั้นมาเป็นพระเจ้าโสโทธนะมหาราชพระราชบิดาพระพฤธบิดาพระนางพุทธสนดีสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระนางศิริมหามายาราชเทวีพระราชมารดาและก็พระนางมัชชีสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระนางพิมพาพระชาลีสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระราหุลพระกันหาสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระนางอุบันวันนาเทรี พระเวทสันดรในสมัยนั้นอ่างเอวมาเกิดเป็นตถาคตบรรดาบริษัททั้งหมดมาเกิดเป็นพุทธบริษัทเวลานี้บรรดาแต่พุทตบริษัทมองดูเวลาเลยเป็นหนึ่งนาทีครึ่งก็ขอยุตติปตะเพียงท่านี้เป็นอันเรื่องราวของพระเวทสันดรหนอพระบรมพงโพธิสัตทที่บรรดาแต่พุทธบริษัทชอบฟังกันก็ขอยุตติปตะเพียงอย่างนี้ขอความสักดิ์สิทธิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดวันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี